อออผมคุณชายคงไปดูฟางไปพญานาคแล้วผมจะจะกลับมานอนนี่ไหมหรื อ, รอจะไปเลยนึ่งกลับมาเหรอจะไปเลยเหรอผมคิดมันก็อดไม่ได้นะไม่เห็นตัวเขาเกิคิดขานี้จริงหม่ไม่จริงจริง ไม่ว่าความคิดไครเนี่ยความคิดความคิดทําให้ทุสดานะพอไม่เห็นก็นคิดหาให้มันเห็นมันไม่ใช่จุดที่จะคิดหาได้แต่มั น, ม, นมันชํานาำนันก็คิดไม่ว่าท่านว่าเราก็ต้องคิดอย่างนั้นเรียบความคิดของคนมีกิเลสคนคนความคิดของคนมีธรรมภายในใจท่านพออย่างเชื่อพุทธศาสนาท่านั้นเองหมดเลยไม่มี ปัญหาก็าตัดมากมายก่ายกองไม่ได้เสียสมองอะไรเป็น ว, ว่าท่านมาเราเป็นอย่างนี้อนี้ก็ชมน้ําใจโอนะทองคําก็ฝังไว้ในไหายเขาังวันนึงแหวงนี่นะไม่มากเราแต่ว่าชมน้ําไอ้ทองคำไม่มากแต่ชมน้ําใจที่สามารถเขาสมัยสมัยไหนก็ไม่รู้นะคนวันนองแหวงอย่าไม่บอกชื่อละ แต่สองสองสลึงเนี่ยท่ำทำไปก่อนนั้นเหลี่ยงนะแล้วก็อีกเส้นสายช้อยอันหนึ่งไปตีเยียวเข้าว่าจ้างเขาตีสี่ร้อยบาทท่าแต่ก่อนก็เก่งเหมือนกับตะเยียวมาอ่หนักสลึงหนึ่งเป็นเจ็ดสิบห้าตารางเมตรนั่นไม่ใช่เล่นน้ําใจมีค่ามากไปเยอะพอทิ้งเงี้นั้นก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยอันนี้เขาไว้แผ่นดินนี่โอ้ยตัดตัวเล็กตัวใหญ่บันดําไม่ว่าแต่มนุษย์ทังสัตว์จะพึ่งหมดเลย นักป่าท่านยิงคาทำค้ำชุนหนุนชาติไทยทำจนว่าทําค้าชุนหนุนชาติไทยโดยป่ายกุศลแต่จริงมันก็เป็นกุศลก็ต้องอาศัยผู้นำเนี่ยอากนั้นนะผู้นําที่เขามีความเชื่อความร่มใสมีความเคารพนั้นเงินถึงจะออกได้อยงนั้นอย่าหวังว่าออกได้เลยเขาไม่อยากให้ของกินอันนี้ใครก็หองแห่งมันเป็นประจำผู้นี่เป็นประจำใจของมนุษย์ หรือถ้าพูดแบบภาษาทางศาสนาดานมษย์ู้นดานมน น, มนู้ น, นคือต้องรักต้องห่วงต้องสนวนนี่ทั้งจึงมาให้รักให้ขโมยกันจึงว่าเป็นเป็นความคุ้คมครองป้องกันสมบัติแต่ละคนละคนไม่ให้แข่งแย่งกันไม่ให้ทเราะเบาแว้งซึ่งกันและกันจึงเป็นธรรมเสมอภาคทีเดียวจึงพูดวันนี้ไปชมรูปชมหลานนี่ก็เตือนนักเรียนนักเรียนเขาอ่า เน่ยพากันจิงยามากคันซาอันในมึนเมาให้ลูกหลานพาเขาเลิกอย่าให้เขามังคับมากดเจนเลยนี่เป็นธรรมชาติของชีวิตเราต้องรักษาแต่ละชีวิตแต่ละคนละคนจะสร้างปัญหาขึ้นมาให้พ่อให้แม่จะสร้างขึ้นมาให้ปหัญหามาให้หมูให้เพื่อนให้ประเทศชาติบ้านเมืองไปเรื่เป็นโขงเป็นโขงเพราะเื่อมนุษย์สร้างขึ้มนมาเองพระพุทธองค์ก็บอกไว้หมดการดําเนินชีวิตการความเป็นอยู่กัน ป้องกันชีวิตฟอกหมดใครเกินพระพุทธเจ้าจึงโรกระเบิดมโรกระเิดถูนี่รู้จริงๆไม่หลอกด้วยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีคําเปลี่ยนแปลงไม่มีคําหลอกตัวไม่มีคําต้มสุดไม่มีคําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ากลําบากถ้าตามเสด็จพระองค์แล้วสมบูรณ์เต็มที่หมดจึงว่าทำเมื่อสวากาจะทำทำนี้ไม่ใช่มามาได้ง่ายๆพระองค์สร้างมันมีสี่สงไข็ แต่ทำมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติความจริงมีอยู่ล้วนๆยังไม่ค้นพบเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเอามาค้นพบท่นนาก น, นก็พูดไว้ในธรรมนิยามธรรมจิตตาธรรมานิยามกอรพูดไว้ของนี้เป็นของเก่ามีธรรมชาติเดิมเป็นตั้งมาอยู่อย่างนี้เป็นอ ย, อย่างนี้แต่ไม่ ไม่มีใครสมมุติออกมาเอามาช้่นไม่รู้มาเห็นเราจะตาก็เป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วมาสแสดงรู้เห็นไม่เราจะไปคิดไปคาดมันน่าอดนะอย่าไปคิดไปคาดเลยก็ต่างคนต่างบำเพ็ญพิณน้ำความดีเชื่อตามพระเดชเขาพูดทีเจ้าก่อนเพราะเราโงูไปเชื่อความคิดเรามันได้อะไรมันก็แตกสาแหลกขาดวุ่นวายยุ่งเหยื่อมันกันหมดทั่วโลกนิรันดุดท้ายทําลายกันทั้งคนทั้งศ์มนาโมลนาคโมนาวเปหมดเลย หาความร่มเย็นไม่มีท่านจึงบอกบ้าการปฏิบัติคารวะก็แยกออกไปแค่จะควคมร้มเย็นในชีวิตอยู่คารวะแต่ซึ่งสัต์สุจริตเป็นพื้นเพย์ก็บอกพวกบอกกลานให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้นอกนั้นมีจะสร้างปัญหาในชีวิตเราเลยทุกอย่างลําบากก็คืบผ่านไปสู้อดสู้ทนไปเกิดมาเราทานะอย่างนี้อยู่อย่างนี้หลักคิดแก่รวยมันก็ไม่รวยหรอกเพราะฐานไม่ให้ ต้องบำรุงฐานขึ้นมาเช่นปลูกต้นไม้ต้องปลูกให้มันหยัง่งลากแก้วลงไปซะก่อนเมืขึ้นแผ่นดินมันจึงมั่นคงเ น, นี่ยฐานถ้าเป็นต้นไม้คือลากแก้วฐานใจคนนั้นกันจังเชื่อให้ฐานเชื่อลงไปก็คือช่างบุญกุศลที่จะกล้าลงไปสู่ความเชื่อมั่นนั้นได้อย่างอื่นเชื่อไม่ได้ <c oughs> เรียนสูงเรียนต่ำอ น, น, นุคนโคมเรียนของปัญญาของโลกเรื่องปัญญาโลกี ถึงได้แปลบอก ว, ว่าปัญญาโลกกินกันเอาเปลี่ยวเอาลัดกันคือปัญญาโลกินถ้าทําพ๊บแทรกเข้าไปไม่ใช่นะทีนี่พีกออกมาเลยปัญญาโลกีกลับมาเป็นธรรมเพราะและเกี่ยวโยงอาศัยซึ่งกันในการความร่มเงย็นเกิดขึ้นอย่างพาคกับคารพา ท, ที่อยู่เกี่ยวโยงซึ่งกันในการฝ <c oughs> ่ายภาคก็ทําหน้าที่รักษ า, ษาศีลรักษ า, ษาจิตใจตัวเองทั้งวอนระวังเป็นหน้าที่เข้ม ง, งวดกดขันกับตัวเองใส่ ญาติโยมก็เป็นผู้ให้คําอุปถัมภ์อุปทานให้อาหารบินธบาปะปัจเจศีเป็นเครื่องบ่มบนูนบนเลยตามกําลังความสามารถมีเท่าไหร่ก็ให้ด้วยความเชื่อความรูใสัยอันนี้อาศัยซึ่งกันในการม า, ยาอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้โลกก็ล่มเด็ดฝ่ายโลกก็ไปอีกอย่างฝ่ายพระก็ไปเอี่ยงทั้งที่ทําเก่าไอ้เป็นเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษาก็คือศีลทุกประเภทท่าก็ไม่ทําตามและจาได้แต่ว่าศีลสองร้อยี่ิบเจ็ด หรือจําได้หมดหรือคนก็จําได้แต่ว่าสิงห้าปานะอาอจินนาการเมสุนิสาอก็ว่าไปมุสสาสุลาห้าตัวนี่หลายลิตแต่โกหกก็หลายลิแล้วอะไรปรากฏเกิดขึ้นมาให้ผมร่มเยน็นอันนั้นเป็นเพี้ยภาคความจํามันทําไม่ได้มันร่มเย็นไม่ได้สิเออจุเหมือนไปแสวงหาอาหารเนี่ยหาไปหามาหาไม่ได้เนี่ยมันจะได้กิ่มท้องอะไรนี่มีทคนจึงบอก โรคเราโหเวลานี้นะ่ะอย่าไปกังวลเลยโลกนี้เป็นอย่างนี้ลุกมรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำตัำมาพวกเราเกิดกันเป็นหลาพวกเราเป็นอย่างนี้ก็สู้สู้ทนตอบคุ้มชีตให้ถูกต้องดีงามตามของศิลของธรรมนี้ฉะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยนี่นี่ก็พูดแล้ววั น, นนี้ก็มันออกพรรษาอันเป็นวันเดือนเฉยๆออกไปออกอยู่ก็เมือ่อแจ้งเมื่อแจ้งเท่าเดินแต่เป็นชมุติตามการเวรณาที่โลกนี้ี๋ยมก็ต้องทําให้ถูกเพราะสมสัดูผลควรเข้าวพรรษา พระพุทเจ้าประเสริฐกำหนดเพราะประสงค์ในกฎไว้ล้วนเลยกับเขาทําได้ทํานาทาสวนแก่กวนแต่ให้จำถูกเป็นธรรมศาสตรแต่ความดีไม่ได้เกี่ยวกันเข้าพรรษาและออกพรรษาทําไปในไหนชั่วเหมือนกันหมดเหมือนทานอาหารกิน ม, มีไนท์อิม่มทั้งนั้ น, นะไม่มีไม่มีการไม่มีเวลาอาาคริโก้ไฟสูบไฟต่ำเพราะอาราคริโกทําพื่อเกลียดร้อนไฟดีก็อาาคริโกไม่มีการไม่มีเวลา มีพระ อ, องค์ปราบไดพอดีพอดีอะไปแย่งพระ อ, องค์ได้ยังไงเออถ้าเข้าพรรษาแล้วทําชั่วเท่าไหร่ก็ไม่เสียหายก็ลองดูสิไม่เห็นมีไม่ว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายโยมเส ม, มอการพระพุทธเจ้าท่านนั่นเหนไหมสมสมกับว่าลูกโลกก็มีทูกอย่างไปแย่งตรงไหนหูุ่หลานพี่น้องทุกคก็ให้คิดนะออกพรรษาแล้วว่าออหลวงพ่อไม่ได้เทศหรอก ประเทศเราสิมันสอนเราด้วยขี้เกียจมันก็บอกมันฟังเทศแต่ตัวเองเออความหิวก็หามันก็ก็บอกความโลภมันก็บอกก็ตัดขึ้นมันออกที่ขี้เกียจคือฝ่ายต่ําตัดขึ้นมันออกปั้นมันตีหาวิธียกจิตใจขึ้นตัวเองให้ขยันมันเพียรสู้สู้ทนขึ้นไปอืมไม่ได้การภานที่ความโกรธอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวออกภาษาคน มันก็เป็นโทษเหมือนกันแต่ถ้าโกรธดิ้่เชยอดทนไว้คือหมายมินว่าไฟไฟอยู่ในในเตาอต่งเดียวหรือในพื้นที่เรารักษาไว้ไม่ให้ไปไหม้ที่อื่นพอแสดงออกไปปุ๊บไปทำร้ายคนอื่นทันทีนั่นไฟไหม้แล้วมีอยู่รักษาไว้มันไม่เป็นโทษมันก็มีอยู่ในหัวใจเราก็รักษาไว้ความอดควาทนมีอยู่ผู้หญิงผู้ชายรู้อยู่แล้วถ้าไปออังจากนั้นจะแสดงออกมาทางวาจาเพราะว่าใจมันโกรธ ไม่พอใจก็วาดไปตามไม่มีสติจะตังเลยสมมติสมหมายไม่ใช่สมมติสมหมายที่มันมันสมมติสมหมายก็แบบสมมติส ม, มสมหมายแบบทางตา ม, มันก็มาทําลายตัวเองทั้งว่าเป็นโทษแในหน้าโทษของความโกรธก็ดีความขี้เกียจมากๆก็ดีไม่มีอะไรผลดีแก่หัวใจเราเลยนําไปคิดไปอ่านที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราเอาหลักธรรมชาติความจริงมาสอนมันเสียตรงไหนแล้วทําให้เราเจียหายตรงไหน มาเราโกรธมันได้ประโยชน์ยังไงเอาโกรธเงิที่โกรธมาเท่าไหร่มันเป็นยังไงคนโกรธจะไม่ได้ผลดียังไงแค่โกรธให้ภรรยาสามีอยู่ไม่ดูน้ำดีๆก็ไปทุบหม้อไหายแตกก็มีจะเตะกล่องข้าวทิ้งแค่เพื้อนสิ่งโดยนั้นมันมีอะไรเลยโดยไปเตะมันก็เสียหายนะ่ะเป็นอำนาจความโกรธท่านจึงหว่านั่นมีอยู่ในใจอย่าแสดงออกมาทางกายทางวาจามันมีอยู่เพราะธรรมชาตินี้เป็นความจริงอยในใจพอระงับมันได้เพรานั่นโอ้ยเย็นเลย เย็นในใจเลยล้มเย็นเลยพูดออกมาก็ดีแสดงออกมาก็ดีนิยนธรรมเป็นเชื่อมมันเทาทุกแก่สัตว์โลกนี้ทำพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ทำผู้แสดงถึงบอกว่าจะว่าหลวงพ่อเทศอ่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เอาคําสอนพระุทธเจ้าไม่คิดไม่อ่านตามพระ อ, องค์แล้วเชื่อว่าเป็นตามพระ อ, องค์แล้วเชื่อมั่นมาอย่างนี้เราไปคิดตามให้มันเห็นจริงตามท่านถ้าฟังแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปผูผ่านไปผ่านไปไม่ทําอะไรเลย เนีถ้าจิตใจเวลาฟังยับออกมามีความเรื่มใสปุ๊บก็ก น, นั้นเป็นกุศลชั่พักหนึ่งเป็นอยู่ที่ทำเจเลยไม่มีอะไรไม่มีความสนใจเลยจะลอยไปลอยไปปล่อยไปผ่านรู้ไปเน้นผ่านรู้ไปเลยการฟทำทำนี่มีประโยชน์เมื่อฟังปุ๊บหม่เชื่อจริงลงไปเชื่อชักพักหนึ่งมันก็ยังดีเพราะน้าที่เห็นมากมากกลับไม่เชื่อพฟังอีมักไปเชื่อไปฟังอีกไปเชื่อไปต่อไปต่อไป ยังลงเป็นลากแก่เชื่อถึงฐานหนึ่งความจริงหมดมันมีความสงสัยในพระพุทธศาสนาและไม่มีความสงสัยอะไรแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงปรัสสอนมาทั้งหมดอีกก็เก้าเดยนนะมีแต่ความดีล้วนๆนะไม่สร้างโทษให้ใครแหลกจริงเ น, นี่ยมันลงยากมีแต่เรื่องโลกเวลานี่ลงเสียงดนตีว้างดนเสีย เสียงความสะดวกบ้างลงมันอย่างลงมีแต่เลื่อนหย่างลงไปในสิ่งที่หาสาระไม่ได้เลยแต่กลับว่าเป็นสาระออยู่กันไปตายชิ่งก็เปล่านี่บ้านสร้างขึ้นมาแล้วเป็นสาระพอช่างแล้วตายไปแล้วไม่ได้เอะไรไปเลยแต่ถือเป็นจริงเป็นจังนะของพุทธิย่าธรมนิพพานั้นนั่นเป็นที่อาศัยชั่วคราวชีวิตหนึ่งท่านบอกอย่างนี้แต่ไม่ให้ประมาทหามาเถอะถ้ามีเงินมีทองก็อยู่ตามานะหรือตามกํำลังเท่าที่เรามีเงินมีทองที่จะใช้ ทรัพย์สินนั้นเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเราเราอยู่คนจนก็อยู่มุงยา่ามแถบจองใบไม้ไปจำธรรมศาสตรของเราบนท้องเฉยไม่ทํำอะไรก็ไม่เกิดขึ้นยากจนก็อยากก่าใจจดใจอย่าให้ใจอาพัมหนักอิทเพราะไม่ลงจนมั่นท่านบอกใจนี้ต้องขยันต้องบุกต้องมุ่นต้องอบรมต้องพยายามสอนเที่ยมสอนตัวเองเอาคำสอนพระแม่ครูบาอาจารย์ยกพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมายาาใครเป็นแหล่เจ้าปักใครเกินพระศาสดา จะเป็นสัตตัวเล็กตัวน้อยท่างเด็ดเท่านกกระปิถ้าเราจําไม่ติดตามตำรานี้แต่สเสลี่ยจานเกห่ยมหมู่เกลือเสืลาตายเป็นสัตวเสืลาเชื่อมู่เพื่อเืนเพื่อฝุงมา ก, กี่กับกี่กันสักแปดที่อสมไขพระพุทธเจ้าของเร า, าจึงสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่อยู่วันเดียวจะสมบูรณ์อยู่วันเดียวจะได้เลยที่ว่าได้เลยได้เลยที่ว่าทําไมที่ตัดทะลุเร็วท่านบําเพ็ญมาก่อนแล้วท่านจริงเชื่อใบหมิหม่นดอกปัวพอโผลน้ำพอแตงไฟที่ สองจ้าทํานเนี่ยก็ถูกตบบานรับคันดิให้ยังง อ, อยู่นู่นใต้งนนเงานระนออไม่จาราบจะถูกเต่าถูกปลาเอาไปจริงก็ไม่รู้ก็เหมือนพวกเราท่านห็นมืดมนอนตะการลมลุกคุกคันเห็นบอกพยายามพยายามทุกคนนพยายามสร้า ง, งความงามความดีใส่ ต, ตัวเองนี้ก็พาพวกเราพี่น้องทั้งหลายทั้งบ้านหลายหมู่บ้านจริงๆ ผมน้ำใจเต็มเต็มใจที่เจ้าจะจนน้ำใจไม่จนถ้าหลงหนึ่ ง, อ, งอ่หลวงพ่อหรือหลวงปู่เขาก็เรียกเราเขาเต็มใจกับพวกเราเพราะเป็นกุศลไม่มีโทษเกียวกัผู้หนึ่งผู้ใด เ, เต็มใจบอกว่าพูดด้วยความเต็มใจเพราะตัวนี้ไม่เป็นโทษถ้าสิ่งที่เป็นโทษไม่เต็มใจและไม่เห็นด้วย่าเราเป็นมาก็เหมือนกันแม้เราจะเป็นในหัวใจเราเหมือนกันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่ทําให้เช่าหมอเป็นทุกข์บนเพ้อ ล้าหงุดล้มไห้ทชนิดพลายล้าพันอันนั้นมีในสายทางเดินของอานาจของกิเลสเป็นเครื่องกดดันพาให้สัดโลกมัวหมองพาให้สัตว์โลกล่มจมพา้สัตโลกทุกข์ยากลําบากล้มห่มต้องให้เศร้าโศกโกาอย่างนี้เป็นสัดโลกที่ยังไม่หล่อหลอมด้วยศีลด้วยธรรมจะต้องเจออย่างนี้เหมือนพวกเราเป็นกันอยู่ทั่วโลกเด่นเด่นอย่างนี้เมืองไหนเมืองไหนก็ทุกข์เพราะอารมณ์ท่านจึงบอกให้ฟื้นด้วยจิตใจของตัวเอง ให้จนฟื้นกันพยายามฟื้นกันถึงทีงนี้มันเราก็ลดกระถิ่นทั่วขาเพราะว่าพาพี่น้องทั้งหลายลูกทุกคนมีลูกๆเล่นหนาทำกระถิ่นคือสมทบกระถิ่นทองคำมันมีกระถิ่นก็เราไม่มีอะไรก็เรามีบาทเรากระฉันมือเดียวบอกฉันมือเดียวก็พอแล้วไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องทําหละไม่มีก็อยู่ตามไม่มีมันก็อยู่แบบสบายนีชะลาหลังนี้่ ห้าสิบปีก็จะไจะไป้ตั้งอ ะ, อะไรที่จำรูปชุดสมลงไปคนจะทำํทำก็ทําไปตามพอเหมาะทำไมอย่ยมาปรุงมาแต่งที่อยู่ที่นอนที่เฉยที่อาศัยโสุกันเวลาโลกคันหัปรุงนั้นเรื่องโลกภาไม่เหมาะอันนี้อาศัยญาติโยมเข้ามามีก็บารุงรักษาปไปตามเกิดตามนีเท่าที่มีอย่าไปรู้หลาจนกี่ชั้นกี่อะไรไปแข่งกับโลกเขาสู้เขาไม่ได้หรอกภานี่อย่างนี้ ถ้าเอาศีลเอาธรรมนั่นโลกสู้ไม่ได้มิจะมีเงินแก่กี่แกดแสนล้านกี่เต็มท้องฟ้าก็ตามถ้าจิด น, นั้นเรากล้าลงไปแท่เป็นพระสตตะบัก็เลิศแก่พระจกเจ้าป่กับพัดแล้วสมบัติพระเจ้าแผ่นดทั้งหมดเต็มแผ่นดินนี้ก็สู้พระสุตตะบัณไม่ได้ดูซิพระเจ้าจักพรพัฒอาจจะตกนรกก็ได้เพราะลืมตัวพระสตตะบัณไม่มีเตอสุรกายฉันนรกไม่มีนะเลิศเลิศ ก, ก, กว่าเพราะอันนั้น ไม่สร้างความทุกข์ให้พกให้ชาติอีกต่อไปมีจะก้าวเดินเข้าสู่บร ม, มสุจริตสายทางทั้งล่มทั้งเย็นทั้งล้าเริงทั้งบันเทิงแต่ไม่ใช่ล่าเริงแบบพวกเราร้องเพลงบันเทิงแบบร้องเพลงล้าเริงอันนี้ไม่มีพิษมีภัยมันมีน้ำหนักกว่ากันมันเบามันมีความสุขเนื้อกว่าที่เราร้องราทําเพลงอันนั้นสนุกเท่าั้เดี๋ยวกลับมาทุกมาร้องให้อนั่นเป็นอำนาจของบุตรชนทั่วไปไม่รีดูถูกดูแคลนเป็นในบรรดาหัวใจสามโลกจะต้องมีด้วยกันหมด นี่จึงพูดให้ทิดให้อ่านพูดไปตรงไหนมันก็เป็นความจริงล้วนๆๆจะมาแย่งกันตรงไหนถึงว่าทำแต่ที่นี้กี่กลอย่าจะเป็นทางควรจะฝึกมาได้ก็ให้พวกเราได้โอ้โหไม่ใช่ย่างง่ายๆนะพระแต่ละองค์ละองค์ยกแต่ก่อนมีพระแม่พุทธมั่นสร้างพระได้เลิศเลยเพราะแต่ก่อนมีป่ามีเขาพระแม่พุทธมั่นเจ๋เด่นในข้อวัดปฏิบัติไม่มีการก่อการสร้างไม่มีเรื่องอะไรมาปลอมแปลงไม่มีสิ่งแวดล่อเหมือนทุกวันนี้เลยมีแต่เข้าป่าเขาเขาตั้งบําเพ็ญจิต พระที่ปฏิบัตินี้ก็มุ่งอย่างเดียวเพราะแม่ปัญจมั่นกันเด็ดแล้วก็กรู้ธรรมาราจิจการสอนบรรลุจิตว่าองนคนอ์ไหนควรพรมาในี่ไรู้หมดจึงเป็นผู้วิสุทธิบุคคลมากมายคือลุกจิตเพราะแม่ปัญจมัน่นต่อมาก็ต้งทีเขียนเรื่องในพระปะ่ามหารลดลงไปตามส่วนเดี๋ยวนี้ยิ่งลดลงไปหน้าใจขายเลยหากุจะสร้างขึ้นมาให้มาตราบมาไหว้โดยถึงใจมีหูวยากนเดียวไม่ใช่สร้าง ง, งา่ายๆสร้างบ้านทางเรียนง่ายๆนะสร้างให้เป็นบัญญัต บัณฑิตนอกจบด็อกเตอร์จบอะไรนี่ง่ายจะมาสร้างบัณฑิตในโหคนละเรื่องไปเลยถ้าเราถ้าเป็นบัณฑิตนอกโหโลกมี้ร่มเย็นหมดแล้วหรือนี้ร้อนเป็นไฟเลยไม่ได้ดูถูกมันบัณฑิตนอกนั่นแหละปัญญาโลภีปัญญาไม่มีธรรมข้อแทกแต่มีแต่ความคิดเอาเปรียบเอารัดเอาแพ้เอาชนะอืหาผลประโยชน์ส่ชนตัวส่วนตัวส่วนตัวไม่คํานึงถึงสิ่งที่เป็นโทษคิดไปได้ นี่เขาเรียกปัญญาโลกีหรือเปล่าจึงแปลว่าปัญญาโลกกินกันเมืองน้อยกินเมืองใหญ่เมืองใหญ่ก็กินเออเมืองใหญ่กินเมืองน้อยเมืองน้อยก็กินเมืองน้อ ย, อยต่อไปกินไปเรื่อยๆเมืองน้อยกินไปเรื่อยผลนอยู่ไทยเอาแต่สิ่งโดนี้นมาหลอกล่อมาต้มถูนกั น, ม, านาม้านเนืองก็เกิดเดือดร้อนขึ้นยิ่ยงไม่มีสินขาดสินขาดทำมากกว่ายิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นมองกันไม่มีความอบอุ่นเลยนั่นแหละที่มีไม่ต้องมองว่าจุดไหนมาจาก ว่ามันจะพินาชทิ้งายไฟมาอะไรากันเกิดจุดนั่นทันทีอาหาที่นี่ใครจะเป็นอะไรก็เป็นเราเนอะเข้ามาคือความบุญกุศลเราจะทําสิ่งที่ช่วยช้ารำมอกดีได้ไม่มีโทษนั่นเพราะไม่เราจะมั่นเหมพูดทำอย่าง น, นั้นเลยร้อยปดใสตายก็ตายเถออันนี้ไปแค่เรื่องกายเขาก็เผาทิ้งหรือไม่มีใครเผาก็เน่าเฟ้ทิ้งเมื่อเมื่อ บ, บิญยา น, นี้จากร่างนี้แล้วจะเผาหรือจะอะไรก็ไม่ได้เห็นมีอะไรก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟลงสู่สภาพเดิมเท่านั้นเอง ถ้าเป็นมนุษย์กับมอโลนียอมอยู่ตามระเบียบก็ต้องเจ็บต้องเผาต้องมีพ่อมีแม่นี้มนุษย์ษยถ้ามันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะมองกันไม่ได้ก็มันก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่ละร่างละร่างไปมีมันเป็นอย่างนี้โลกโจิจึงไม่ค่อยสะดุกใจเวลานี้กำลังมากขึ้นนะนี่เอาไปคิดกันมากขึ้นทีเดียวเรื่องความสะดวกนี่มันอยางไดทุกคนแต่ลืมความลาบากจะตามมา ลำบากตามมาถ้าทําให้พอดีลําบากจะมากเข้าไปนั้นเวลานี้พอมากแล้วก็นานไปจะมองกันไม่ได้เลยเรื่องบุญนึกบุญส่วนนี่เรือกกันช่วยเหลือไม่ได้ต้องเอาเงินจ้างไปกันถึงแล้วความบุญมีที่ไหนเลยร้อนเลยคุณจะท่าพี่น้องเดียวกันก็จะเอาเงินแต่จ้างจ้างกันความบุญภายในใจมันมีเลยมองหน้ากันไมน่มีความยนนิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เครียดอารมณ์นะน่ะว่านั้นหลักปัญญาโลภีเป็นอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นภูนขเขาเถน ไม่ได้ดูถูพลิกมาพบเอาทำเขอแทะเข้าไปความซื่อสัตย์สุจริตความมุ่งมุ่นร่มเย็นคนเครื้อคูณหนุนกันไม่ยากลําบากช่วยเหลือกันเอื้อคูลกันนุ้ยเห็นกันแล้เรื่องความดีกันยิ้มแย้มแจ่ไใสล่าเนิร์มเห็นกันยิ้มแย้มแจ่ไใสหัวล่อเขาหัวดังแล้วเขาอกพอใจกันอันนี้โหไม่ได้จะยิ้มก็จะย่าก ย, ยากพ่อฐานของจิตมันเป็นโทษล้วนๆล้วนๆยิ้มไม่ได้มันจะเครียดเดียวนั่น เอามาแข่งทำผู้ดีเจ้าดูสิเก่งตรงไหนนี่ทำผู้ดีเจ้าในสังคมร่มเย็นหมดเลยสั่งที่พูดไปแล้วนี้่แต่ความดีงามฝากกันสามีฝากกันภรรยาฝากกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากนั้นเกื้อกูหนุนกันปฏิบัติอุปสมบทบาทตามกําลังอยู่ด้วยกันไม่มีพิษปีภัยไม่ทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันแลกันโอ้ยไม่มีเงินมากก็เถอสบายอบอุ่นร่มเย็นช่ืยกันแน่ตายพุ๊บปช่วยกันเพราะจิตประเภทคู่สนมช่วยกันปุพบป๊บไม่ได้บอก ถ้าประเทศฝ่ายอักุนส่วโหบอกยากดีไม่ดีมึงจะมาหายุ่งอะไรมันมึงได้อะไรอย่างไวมันมืดเพราอว่าประเภทนี้เข้าไปมืดหมดเลยมองเห็นความดีงามไม่มีล็อบทิ้งลบอทิ้งนั่นแหละโลกก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะมันเป็นอืมอ่ะครัเซนิฟออันนี้พูดในสองฝันรจะทำวัดกันนี้นะทำวัดกัน